S <S <ý st> สายการ <S <S <ý st> บินเนี่ยบินอะไรหลวงพ่อบินทบาท <S ý st> สายการบินของเราสี่สายให้บอกพี่น้องประชาชนพระจะไม่บินทบาทวันพรุงนี้จะมาบินทบาทที่สาลาใหญ่ให้พี่น้องจทหายาดโยมลูกหลานมาใส่บาตรที่วัดวันพุงนี้แล้ะ ว, วันอุโบสถเป็นวัน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 ต่อไปเป็นอีกสิบห้าวันนะอีกสิบห้าวันนะเป็นวันเดือนสิบแพนเป็นวันเข้าฉลา ก, กพัด น, นั่นก็เป็นบุญบินทบาทรอบสาลาเหมือนกันนะทุกราช น, นะวันที่สิบสองเป็นวันทำบุญข้าวประดับดินแล้วก็เดือนเก้าดับเดือนสิบแพ่น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 พระอุปชาสอนอยังไงต่อมาอาจารย์สอนอยังไงหลวพ่อสอนอยังไงพระสงฆ์ที่เป็นผู้นำในในกลุ่มของพวกเราพระสงฆ์ผาปฏิบัติตนอย่างไรไม่ต้องขึนทรมาดจะก่อนยังค่อยสอนกันไม่ใช่ตาดูหูฟังใจสำเนียกใจต้องคิดว่า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 แต่เมื่อเรามาศึกษาเรามั่นใจแล้วถือว่าเป็นครูบาอาจารนยะ์เราจึงอยู่นะอยู่เพเพื่อการศึกษาท่านกนจะได้สอนวิธีการให้ เ, เรื่องนักบังเรื่องเบ้าบัางเรื่องคดีโรกคดีธรรมคดีโลกก็คือการเป็นอยู่กับชุมชนสังคมตั้งแต่สององค์ขึ้นไปเราควรปฏิบัติตนอย่างไรเราอยู่ในกลุ่มใน ห, หมู่ในคณะเราควรจะทาตนอย่างไร เรากวนคิดยังไงพูดยังไงทอยังไงทำยังไ ง, ง, ไงคิดยังไงในเรื่องการเป็นอยู่ในละทธิว่าพวกเราทำถูกตามแนวแถวนี่นะอยู่ที่ไหนก็ไม่ขวางเขาเลยท่านนร่มเย็นเป็นทุกทั้งหมดทุกวันเนี่ยมันโลกขวางโลกอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะเนี่ยนะมันมีที่รับมันมีที่แจ้งต่อหน้ามันเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ข้างหลังนัะเออ มันเอาความชั่วเข้าไปอันไหนตัวเองจะชนะเขาตัวไหนอันไหนที่เราจะได้เปรียบเขา น, ะนี่นนะเหมือนกับคนอื่นเขาโง่งไปทั้งหมดแต่พ่อเขารู้เรื่องเข้ามาเลยท่านเนี่ยนะเกมทันเกมเข้ามาแล้วยท่านเอาละท่านเนเออเกิดโมโหโกห่าขึ้นมานะ่ะสู้ข้างล่างมานเลยก็สู้บนดินน่มะนะัน <c oughs> นั่นแหละกิเลสมันเป็นอย่างงั้นนะ่ะลวกพวกเราท่านทั้งหลาย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 ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาะอุกติตันญูวิปติจันยูเนยยะปทะปรมะเ น, ะนี่ยอุกติจัญยูผู้รู้ได้เร็ววิปติจันญูรูล่ลองลงมาเนยยะนะแปลว่าพอที่จะสอนกันได้ปทะปรมะนะไม่ยอมฟังใครเลย่มันมีอยู่นะอ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 ท่านจึงให้พระอาจารย์พระเทระโปธิรัต เ, เข้าเดินเข้าไปในป่า อ, อแล้วก็ให้เดินลงไปในน้ํา อ, อแต่พระรหันนยถึงจะเป็นเนดน้อยก็ต้เป็นพระหรหัอท่านรู้อแต่ท่านก็ไม่ได้ให้เหตุผลโปธิรัตท่านพระโพธิรัตพระเทระแต่ให้บอกเดินเข้าป่าพระโปทิรัตท่านก็เชื่อเนรน้อยเดินเข้าป่าเนรน้อยทําอะไร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 สอนทำไมสอนคนไม่เชื่อพอสอนก็ตาลอยพระทังอื่นเอาหหทวนลมไปเลยจะไปสอนทำไมเปล่าประโยชน์เหนื่อยเพราะนั้นที่เราบอกให้ทำเนี่ยทำไดนะ้จะแดงาอาจารย์เชื่อเราเอากลับไปก็ไปหาที่นั่งไปหาที่นั่งในร่มดีๆที่มีม้านั่งดีๆแล้วก็อาจารย์เด่นน้อกก็สอนเราอาจารย์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 อาจารย์ก็ได้เรียนพระไตรปิฎกจบพระไตรปิฎกมาแล้วใช่ไหมใช่เข้าใจเข้าใจสัมมาเรณเข้าใจอ่าปะไปพิจารณาจับตัวเฮียให้ได้นะอาจารย์นะาจับตัวเฮียให้ได้นะครับเท่านั้นแหละก็แยกย้ายกันพระพุทธเจ้าที่อยู่ในพระคันทกุูดีเนี่ยท่านเห็นพระโพธิรัตเนี่ยกําลังเป็นนั่งสมาธิกําลังจะจับตัวเหียใช่ไหมละ่ะ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 จอมปวกน่ยเหมือนกับร่างกายนะนะโปรดท่านอาจารย์นะท่านไม่ได้บอกนะเพราะท่านเรียนรู้แล้จอมปวกคืออะไรคือร่างกายรูรูที่ออกมาหากินเนี่ยคือเหี้ยตัว น, นั้ น, นออกมาทางตาตาไปเห็นรูปไปเห็นสิ่งที่สวยงามเกิดกิเลสลาคะท่าว่า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 แต่ถ้าว่าอีฮอบักฮอด่าเข้าไปเออเหียตัวนั้นก็โมโหขึ้นมาบัดเนี้ยเพราะความโกรธได้ยินทางหูใช่ไหมล่ะแต่เขาด่าเลยถ้าเขาด่ามองดูนะเขาก็ดาด่าด่าอยางทำท่าเฉยๆด่าเราเนี่ยถ้าคนหูตึงนะทำมันได้ยินทางหูแล้วก็เฉยเหมือนกันนะคนไม่รับรู้ใช่ไหม แต่ว่าคนหูดีเนี่ยเขาด่าเข้ามาท่นมันเข้าทางหูท่านนะมันก็เทือนถึงใจเลยท่านเอยนี่แหะเฮี้ยตัวนี้มันออกไปรับทางตาแล้วก็ทางหูแล้วก็ทางจมูกทางลิ้นสัมผัสทางกายก็เหมือนกันเย็นร้อนอ่อนแข็งอ่อนนุ่มที่อ่อนนั่งนอนสบายนี่นแหละอันนี้คือสัมผัสทางกายแต่มันก็ส่งเข้าไปหาตัวเฮี้ยคือตัว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 มันจะออกไปทางทำไมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายให้เป็นเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นเป็นใตรักทั้งหมดใช้จะสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นปริโยสานใช้มรรคาปฏิปทาของพระพุทธเจ้ากำจัดกิเลสภายในใจนั่นะเลิศประเสริฐที่สุดนะลูกหลานทั้งหลายนะเอาตอบ น, นี้ไปรับพร